กลัามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระชัยเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูุญอภิปุณโนโดยส่วนใหญ่เป็นปกติก็จะอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกนี่แหละบางครั้งบางคราวก็มีท่านผู้ฟังแวะเวียนมาพบปะบ้างอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีคุณนงพงากับคุณสัมฤทธิ์จากจังหวัดสมุทรปราการก็มาพบที่วัดป่าดอนหายโศก หรือว่าวางครั้งขพระเจ้าก็จะออกไปที่ต่างจังหวัดบ้างต่างจังหวัดนี่ก็หมายถึงกรุงเทพมหานครบ้างหรือว่าเชียงใหม่บ้างแในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปบรรยายธรรมเราก็มีท่านผู้ฟังรายการธรรมารัปรุณนี่แหละหลายๆท่านแต่ก็ได้มีโอกาสไปพบปะเจอกันตามสถานที่ต่างๆเหล่านั้น หรือว่ า, าท่านผู้ฟังไม่ได้มีโอกาสไปพบไปเจอข้าพเจ้าที่นอกสถานที่แนตะ่ที่จะถามคําถามได้หรือว่าไม่ได้มีโอกาสม า, มาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ยังสา ม, มารถที่จะเขียนจดหมายมาถามได้เหมือนกันเขียนเป็นปริศนียาบัตรหรือเขียนเป็นจดหมายก็ได้หรือว่าส่งข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตแต่โดยจดหมายนั้นสา ม, มารถที่จะเขียนมานะได้ทางที่อยู่ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8 ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีราชไปรษณีย์41130หรือว่าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่เพีวธรร m a .com p u r e d h a m m a .com ที่ได้เว็บไซต์เพียวธ a รม a .com นั้นท่านผู้ฟังก็ยังจะมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมด้ว ย, ยเช่นเรื่องบทความต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เคยเขียนไว้รวบรวมมาไว้หรือว่าสามารถที่จะฟังรายการธรรมะ ต่างๆย้อนหลังได้ก็จะมีบทคัดย่อรวบรวมไว้สามารถที่จะเสิร์ชหาก้นหาที่หน้าเว็บไซต์นั่นได้ก็จะมีข้อมูลต่างๆอยู่ซึ่งคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งมาไม่ว่าจะเป็นคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าคำติชมใดๆก็ตามนะครับพะเจ้าก็จะเอามาอ่านทุกตัวอักษรอ่านใกล้ครวนคำถามไหนหรือสิ่งใดที่ควรที่จะมาพูดในรายการก็จะนามาพูด คำถามสิ่งไหนที่ควรจะปรับปรุงแล้วก็จะปรึกษากับทีมงานก่อนแล้วนะมีคุณเตือนใจบ้างคุณทรงพลชูเวศคุณปัญญาชมจํำปตีต่างๆเล่านะั้นเราก็จะมีการพูดคุยอยู่เรื่อยๆแต่ในช่วงนี้แล้วนะก็มาแล้วจำฟังมากันแล้วแล้วนะซองเปล่ามาตั้งสกระสอบไปรษณีแต่กนระสอบของบุตรไปรษณีเนี่ยมี4กระสอบด้วยกันแล้วนะเขาส่งมาให้แล้วนะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดี ที่เป็นการบันทึกเทปบันทึกเสียงของรายการธรรมะระบรุญในรอบ12เดือนที่ผ่านมาจะแจกให้แต่ขอให้ส่งซองเปล่ามาแต่ก็มีตำรวังจนะหลายร้อยคนที่ส่งจดหมายส่งซองเปล่านั้นมาแต่ขอให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ประวัติถ้าส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเนี so, ่ยมันจะล่าช้าแลนะถ้าเรื่องของซีดี เพราะข้าราชการก็ต้องส่งกลับไปให้เขาทําที่นูน่นแต่ซีดีก็ผลิตอยู่ที่กรุงเทพเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยกันบรรจุซองต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่กรุงเทพท่านผู้ฟังลองคิดดูนะว่าในแต่ละปีเนี่ยเราแจกซีดีเนี่ยเป็นพันๆชุดแต่ปีที่แล้วท่านผู้ฟังรายการก็ส่งมาประมาณเกือบ2000ทีนี้ว่าเนื่องจากปริมาณจดหมายหรือปริมาณพัสดุที่เราจะต้องส่งกลับไปเนี่ยมีมากจึงต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ฟัง ที่ต้องการรับ CD ช่วยจะแจงอะไรต่างๆเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของทางเจ้าหน้าที่ที่สถานีวิทยุนิดหนึ่งโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆนั่นก็คือเราต้องมีซองอยู่สองซองด้วยกันโดยซองแรกเนี่ยเป็นซองกันกระแทกแต่เป็นซองกันกระแทกที่ขนาด A4 สซองแรกนี้นี่คือซองที่1แต่ส่วนซองที่2ก็เป็นซองธรรมดาไม่จําเป็นต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้ขนาดเล็กกว่าซองเอนิดนึง พอที่จะสามารถพับเอาซองแรกนี่ใส่เข้าไปในซองที่2ได้เราต้องมี2ซองอย่างนี้ก่อนโดยซองที่สองนี้จาหน้าซองมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซองแรกเดิที่เป็นซองกันกระแทกนั้นเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองลงไปติดสแตมสิบหาบาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองลงบนซองกันกระแทกคือซองที่1นี้ติดสแตมสิ15บาทส่วนซองที่2องเที่เล็กกว่าแล้วก็ไม่ใช่ซองการกระแทก ก็ให้เขียนส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศเขียนแค่เนี้ยก็ถึงแต่ไม่ต้องใส่เลขที่ก็ได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศแต่เขียนไม่งี้วงเล็บนิดนึงว่าขอซีดีรายการธรรมารับรุแลแต่แล้วก็พับเอาซองแรกแต่ซองแรกคือซองกันกระแทก ที่จาหน้าเขียนชื่อของตัวเองที่อยู่ตัวเองเรียบร้อยติดสเตมสิบห้าบาทพับใส่เข้าไปในซองที่2นี้เดีวแล้วก็ส่งรษณีนอมาบุรุตใบเสนอเขาจะคิดค่าส่งเท่าไหร่ก็จ่ายซะเดีวก็ส่งซองแรกตรงนี้มาซองที่2ที่ติดสเตมสิบหาบาทนี้นั้นพอเรารับมาแล้วเราก็จะเอาซองที่อยู่ข้างห น, นเนี่ยออกมาเดีวแล้วก็ส่งกลับไปให้ตำรวจฟังซีดีก็คงจะเรียบร้อยประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน คิดว่าประมาณต้นเดือนธันวานะไม่เกินช่วงกลางเดือนทุกท่านก็สามารถที่จะได้รับแลนะท่านเป็นของขวัญปีใหม่พอดนะีสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมบุญในการที่จะทำสื่อธรรมะในลักษณะนี้แต่กนะ็สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเวนะ็บไซต์ p ิโยธ a m ม .com ในตรงนั้นจะมีรายละเอียดการขอรับซีดีแล้วก็วิธีที่จะและวิธีที่จะร่วมบริจาคกนะ็สามารถดูที่ตรงนั้นได้วันนี้เราก็มีคาถามนะที่เป็นจดหมาย ก็สืบเนื่องมาจากการที่ข้าพเจ้าได้ไปบรรยายนอกสถานที่นั่นแหละที่กรุงเทพมหานครที่ได้ไปนั่นก็ที่บริษัทปตทสอพอแล้วก็ที่สวนโมกกรุงเทพหรือว่าหอจดหมายเหตุท่านปุตตะตัก็ตอบคาถามที่นั่นแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วแตส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็มีโอกาสไปที่วัดสวนดอกแล้วก็มาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก็ได้ตอบคําถามไปเหมือนกัน แล้วก็มีจดหมายน้อยอยู่ฉบับหนึ่งแที่ก็ไม่ได้ระบุชื่อว่าคนถามคือใครแต่รู้สึกว่าผู้ถามนี้จะมาจากทางจังหวัดลําพูนแล้วก็ขับรถมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อฟังธรรมในวันนั้นแต่แต่ว่าเป็นจดหมายที่ข้าพเจ้าได้มาจากจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละแต่ก็มีถามคําถามตรงนี้ก็เลยจะนํามาพูดคุยให้ท่านบุฟังฟังแต่ก็ถามอย่างนี้บอกว่าการที่บุคคลทั่วไปนะคือหมายถึงปุคคลเนี่ย ที่ยังไม่ได้มีความรู้ไม่มีความเข้าใจยังไม่ได้ศึกษาธรรมะใดๆบุคคลเหล่านี้เขาจะสามารถล่ความเห็นผิดในสภาวะธรรมในที่ไปยึดว่าสัตว์เป็นตัวตนบุคคลเราเขานี้ได้อย่างไรไม่มีอยู่3ทางด้วยกันก็คือถ้าบอกว่าตัวเราเองไม่เคยได้ยินได้ฟังคําสอนของใกลๆเลย่คิดเอาเองพิจรารณาเอาเองใครค่ครนเองแลเกิดเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้นั่นีคือเป็นปัญเจกับพรุทธเจ้าได้นี่คือวิธีที่1 หรือว่าถ้าทําความเพียรในลักษณะที่มันจะยิ่งยวดขึ้นไปมีหมู่คณะด้วยบอกสอนคนอื่นด้วยเป็นเจ้าสํานักด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นสัมมาสัมพุทธะหรือถ้าไม่งานวิธีที่3เราก็ต้องฟังจากสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าฟังจากผู้รู้วินยูชนเหล่าอื่นอันนี้ถึงจะได้เพระนันตถามว่าคําว่าปุถุชนเนี่ยแบจริงคนไทยเราอาจจะใช้สับสนนิดหนึ่งในที่จากภาษาบาลี กคือในภาษาบาลีที่เขาใช้คําว่าปุถุชนเนี่ยหมายถึงว่าคนหนาคนที่แบบไม่รู้เรื่องไม่เคยฟังธรรมะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้คือลักษณะของปุถุชนยังไม่ใช่เป็นคนประเสริฐแต่ในภาษาไทยเนี่ยเรากลับหมายถึงคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดา่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยบ้างชั้งก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่อาชีพค้าขายก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนั่นเป็นคนละความหมายกันแต่คือบางคนที่ไม่ได้มีอาชีพ ร่ำรวยอะไรแต่มีเงินน้อยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือว่าทําการค้าขายเล็กๆน้อยๆไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนประเสริฐก็ได้อาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รักษาศีลเราก็รู้จักในการที่จะมีปัญญาใกล้ควรวนเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าประเสริฐแล้วในะจิตใจประเสริฐจิตใจสูงแต่กว่าพวกที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือวผู้ที่มีเงินมากแต่ว่าทําปิดศีลวย้ํา พระพเจ้าเคยบอกไว้อย่างนี้ท่านฟังนี่ยบอกว่าตอนทีคุณเกิดเป็นชนชั้นปามมหาศาลนี่ยคือปามที่มีอำนาจมีความร่ำรวยหรือว่าเป็นกษัตริย์เลยแต่เป็นกษัตริย์มหาศาลแต่เป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่มีอนุภาพมีอำนาจมากแต่ถ้าบอกว่าทำผิดศีลเนีน่ยมันก็ไม่ดีเน่ยทำผิดธรรมะมันก็ไม่ดีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาพ่อค้าแม่ค้าเป็นกรรมกรแต่ถ้าบอกว่ารักษาศีลได้นี่ยปฏิบัติตามทรรได้ ไอ้การปฏิบัติตามการทำรักษาศีลเนี่ยแหละทำให้เราประเสริฐขึ้นมาได้มันไม่ได้เกี่ยวกับชาติกําเนิดมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่คุณมีอยู่ในกระเป๋าหรือมันไม่ได้เกี่ยวกับฐานะทางสังคมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจตรงนี้สําคัญดังนั้นความแตกต่างในเรื่องของคําว่าปุรชชนในคําสอนของพุทธะนหมายถึงเรื่องจิตใจเท่านั้นเองในเรื่องฐานะนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในประเด็นคําถามของท่าพุทธามตรงนี้ที่พูดถึงวา่าเราจะละความเห็นผิด น่ยท <pouch. S 2> ี si creator, ่ยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรน่ยถ้าเปลว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นน่ยก็ต้องได้ยินได้ฟังขึ้นมาเองแหะหรือไม่คุณก็ต้องคิดคนขึ้นมาเองนี่ถึงแม้ว่าเราจะคิดคนขึ้นมาเองเน่ยเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามเถอะแต่อย่างสมณะโกดมของเราเนี่ยคิดเองพิจารณาเองนี่ยทำได้เองเนี่ยก็ต้องได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาก่อนเห็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นเห็นพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ก็ตั้งความปรารถนาเป็นสมาสัมพุทธะขึ้นมา ว่าฉันจะเป็นสมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก่อนๆมาก่อนๆก่อนๆนู้นเพื่อที่จะทําความปรารถนาความตั้งใจนี้ให้มันสําเร็จขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องเห็นเราต้องได้ยินแลนะไม่จากทางใดก็าทางหนึ่งไม่จากพระพุทธเจ้าเองหรือก็จากผู้ที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกต่อนหนึ่งตัวข้าพเจ้านี่ฟังมาจากคนที่ฟังมาจากคนที่ฟังมาจา ก, ค น, าจากคนที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าโน่นโนนโน เนืเขียนไว้ในคัมภีร์ก็เลยไปอ่านมานะได้เห็นได้ยินได้ฟังก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังท่านผู้ฟั ง, ฟงได้เห็นได้ยินได้ฟังมาจากข้าพเจ้าอีกตอนหนึ่งนะเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องธรร ม, มานี่แหละนนะั้เป็นยังไงล่ะก็ทำให้เกิดความคลายทุกข์ไดนะ้ความคลายกําหนัดความที่มันจะละเลิกเพิกถอนความเป็นตัวตนอ่าก็พ้นถูกได้นี่คือสําคัญส่วนคําถามที่สองเขาถามอย่างนี้ว่าความที่เรามีศรัทธาในาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ลอดจนถึงการมีปัญญาในทางธรรมะและมีการที่จะขนขวายศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆในการที่มีอัตยศัยอุปนิสัยในการฟังธรรมนำธรรมะไปใคร่ควรวนเพื่อที่จะได้ปฏิบัตินั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการสะสมที่มีมาตั้งแต่ในอดีตชาติจนมาสารต่อในปัจจุบันและชาติต่อๆไปใช่หรือไม่อันนี้ได้ทั้งสองอย่างในบูฟังนั่นคือหมายความว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้สะสมมาจากอดีตได้เพราะสิ่งเหล่านี้คืออะไร คืออริยรัพอย่างเช่นทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลรัพย์คือปัญญาพวกนี้สามารถที่จะผ่านมาจากพบคำพบคําชาติได้แต่แต่ว่าอย่างเช่นทรัพย์คือเงินทองที่ดินอย่างเงี้ยเราตายไปปุ๊บนคนอื่นมาเอาไปทันที ล, ลูกหลานเอาไปคนนั่นเอาไปคนนี้เอาไปเราเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์คืออริยสัพย์ะมีศรัทธาศีลจาติาปัญญาพวกนี้สามารถนาําข้ามพบคำชาติมาเพราะะฉนั้นสิ่งที่เรามีอย่างเช่น ถ้าผมฟังฟังธรรมะแล้วรู้สึกแหมมันใช่นะมันถูกนาะมีความมั่นใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้อ่า น, นมีศรัทธาแต่ศรัทธานี้อาจจะเป็นศรัทธาที่สะสมสั่งสมมาจากพบก่อนชาติก่อนได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราเพิ่มพูนในปัจจุบันก็ได้เหมือนกันแต่ได้ทั้งสองอย่างคือถ้าผมว่าเราไม่ได้เพิ่มพูนเลยนต่นก็ค่อยหมดไปหมดไปแน่ในกำลังของสิ่งนั้นหมดไปแต่มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนตลาดการ แม้แต่เรื่องสติในที่เราเคยมีมากมันก็ลดไปได้ศรัทธาศีลที่เราเคยมีมากก็ลดไปได้เพราะมันก็อยู่ที่เราทําปัจจุบันด้วยในการที่เราทําปัจจุบันในโดยการสั่งสมศรัทธาโดยการที่จะอ่านเรื่องราวใน <c oughs> การที่จะปลูกศรัทธาขึ้นในการที่จะรักษาศีลให้มันดีให้มันมั่นคงในทุกๆเรื่องทุกๆสถ า, านการณ์เออนี้เป็นสิ่งที่เราจะเพิ่มพูนอริยาทรับตรงนี้ของเราดังเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําปัจจุบันให้ดีด้วย โดยการที่เจริญกุศลธรรมต่างๆแต่รักษาศีลจเจริญสมาธิทำวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นหรือว่าการปฏิบัติตามอริยม ร, ร ม, มีองค์แให้ดีในหน้าที่การงานครอบครัวอะไรต่างๆนนั้นพวกนี้จะเป็นตัวที่จะเพิ่มเพิ่มในจิตใจทรัพย์คื่อริยทรัพย์ในใจของเราให้มากขึ้นมากขึ้นพอเพิ่มจนถึงจุดหนึ่งปล่อยวางสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คุณก็สามรารถที่จะพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้ นเกคำถามข้อที่2คำถามข้อที่สาจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าการเห็นธรรมะด้วยปัญญาหรือที่ว่าทำทั้งปวงนั้นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยากจะให้ช่วยอธิบายปัญญาตามหลักพุทธศาสนานี้ด้วยปัญญาท่านผู้ฟังประบทชาได้อธิบายไวง้งี้บอกว่าคือเป็นพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่คาว่าปัญญานี้ก็หมายถึง พิจารณาเห็นการเกิดขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี่อธิบายไว้อย่างนี้คือปัญญานี้ไม่ใช่ว่าจบปริญญานะแต่ปัญญานี้หมายถึงการที่จะเจาะแทงกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบอะไรอะไรอะไรอะไรมาจะเจาะแทงกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบได้คือการเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆ ไอการเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆนั่นคือปัญญาจะเห็นตรงนั้นได้ต้องทํำยังไงเห็นที่ไหนต้องมีสมาธิเห็นที่จิตของเราแต่เราจะมีสมาธิเห็นที่จิตของเราต้องทํำยังไงต้องเรียนสูงหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันก็ไม่มีปัญหาแต่หรือว่าไม่ได้เรียนสูงไม่ได้จบด็อกเตอร์ก็ทําได้เหมือนกันไม่มีปัญหาขอให้มีจิตเรื่องสําคัญคือต้องมีศีลด้วยต้องมีสมาธิด้วยต่อให้เรียนสูงถ้าไม่มีสมาธิและไม่มีจิต เนี่ไม่มีศีลก็ทําไม่ได้ต่อให้ไม่ได้เรียนสูงเรียนต่ําๆแต่ถ้ามีศีลมีสมาธิมีจิตเฮ้ยอันนี้ทาได้แต่ต่อให้คนเรียนสูงมีศีลมีสมาธิมีจิตได้ไหมก็มีได้คนจะมีศีลมีสมาธิและมีศรัทธาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้นี่เรียนสูงเรียนต่ degree, ําได้ทั ford, fallen, 好好 prim, ้งนั้นผู้ชายผู้หญิงได้ทั้งนั้นคนขาวคนดําไม่มีปัญหาเด็กผู้ใหญ่เอาก็มีศีลมีศรัทธามีจิต มีปัญญามีสมาธิได้เหมือนกันแต่ประเด็นอยู่ที่เราทำํำอยู่ที่เราปฏิบัติณนะปัจจุบันนี้ปัญญาในที่นี้ไม่ได้ยากอะไรปัญญาในที่นี้เขาไม่ได้จํากัดหลักสูตรว่ากี่ปีกีป่ปีน่าจะหลายปีหรือว่าไม่หลายปีแต่ น, น, นี้มันก็แล้วแต่บุคคลไปว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีมีอินทรีย์ที่แก่กล้าหรือยังแต่ประเด็นในการที่เราจะทําปัญญาตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นไล่มาคุณธรรมสประการทั้งหังนั่นก็เรื่องตั้งแต่ศรัทธาความเพียรสติแล้วก็สมาธิ แต่ถ้าเรามีศรัทธาความมั่นใจแต่เราก็จะมีการทรํจรารทจริงแน่วแน่จริงมีการทําจริงแน่วแน่จริงสติคุณจะตั้งขึ้นได้พอมีสติตั้งขึ้นได้แล้วจิตก็จะไม่หวั่นไหวจิตก็จะเป็นอารมณ์เดียวจิตที่จะเป็นอารมณ์เดียวนั้นจะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆได้นั่นแหละคือปัญญาเห็นซ้าไปซ้ามาเห็นซ้าไปซ้ามาก็จะมีความชํานาญมีความชํานาญแล้วตรงนั้นแหละตะโมฟังมันจะเป็นเครื่องที่เจาะแทงกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบได้นี่คือเรื่องของปัญญาส่วนคําถามที่สี่ที่เขียนไปจดหมายมาในที่นี้ถามว่าการตั้งความปรารถนาแเช่นว่าอยากได้เกิดเป็นมนุษย์อยากเกิดเป็นเทวดาหรือแม้แต่ความปรารถนาที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นถือว่าเป็นตัณหาหรือไม่ที่เราย่างจะสแสวงหาพบอยู่คําตอบคือถูกต้องเลยแต่ไม่แม้แต่คนที่คิดว่าชาตินี้ฉันจะต้องบรรลุเป็นพระอารหันต์ให้ได้ น, นั่นก็เป็นความ ที่คุณมีตัณหาอย่างหนึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึ่งสภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นคือภพนั่นเองในสภาวะอย่างนี้คือภพจะเรียกมันเป็นภพแต่เป็นสถานที่ที่ยังมีตัณหาอยู่อ้าวมันขัดกันหรือเปล่าตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่มีผู้ที่เอาไปวิเคราะห์นะต่างๆนานาก็บอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอริยสัจสเนี่ยมันมันตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าคุณบอกว่าความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ แล้วจะลากความอยากได้ก็ต้องทําตามมรรคแปดสีสมาธิปัญญาเราจะทําตามมรรคแปดได้ไงถ้าไม่มีความอยากทําอาจจะถ้ามีความอยากทําแล้วก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ถ้าไม่มีความอยากายาก็ทํามรรคแปดไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้นเป็นอย่างนั้นไปเราไปทําความเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนว่าสิ่งที่เป็นมรรคสิ่งที่เป็นมรรคคือเรื่องของสีสมาธิปัญญาอย่างเช่นคนที่มีความปรารถนาว่าจะบวชคนที่มีความปรารถนาว่าจะปฏิบัติธรรม คนที่มีความปรารถนาว่าจะเป็นสมาสบุตรเจ้าเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มีตัณหาไหมมีแต่ท่านพระอเนกอธิบายไว้ดีมากบอกว่าเราเจริญฉันทะแต่ฉันทะคือความพอใจก็เป็นลักษณะความอยากอย่างหนึ่งความพอใจบุตรเจ้าก็อธิบายถึงจุดที่มันไม่ดีก็มีนะเพราะว่ามันยังเป็นไปเพื่อความกำหนัดได้แต่เจริญฉันทะในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อละฉันตานั่นเองเจริญฉันทะก็เพื่อละฉันตานั่นเอง เรามีความอยากตรงนี้ในเรื่องของดีๆไอ้ความดีความงามที่เราทํามันก็ค่อยลอกกิเลสออกมันค่อยลอกตันหาออกตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งผยญชนะพร้อมทั้งคำสอนพร้อมทั้งการปฏิบัติตรงจุดที่ว่าเราทําความดีความงามปฏิบัติตามมรรคแปดสีสมาธิปัญญาเนี่เราตั้งความพอใจความปตัตนาในการทําไว้วมีความเปลี่ยนไว้ทําตรงนรงนีี้้ไไปปทําตรง ไอ้เจ้ากุฏันหาความอยากชันทะมันก็ค่อยๆลดลงไปด้วยลดล้นลงไปด้วยแต่ลดล้นลงไปไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําแต่เพราะว่าลดลดลงไปความกําหนัดนี่มันลดลงไปความกําหนัดความยึดถือความมัวเมามันลดลงไปไอ้สิ่งที่ลดลไปคือความกําหนัดยึดถือมั ว, มวเมาเพลิดเพลินตรงนั้นลดลงไปลดลงไปไอ้การปฏิบัติของเราเรื่องศีลสมาธิปญัญญาก็ยิ่งค่อยบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นตรงนี้มันต่างกันนะเพราะฉะนั้น ถ้าจะพูดอย่างที่ท่านพระอนุนได้เคยพูดเอาไว้วเราก็เจริญฉันทะเพื่อละฉันทะยังไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าเอาถ้ า, างั้นฉันจะอยู่ๆมาวันหนึ่งก็จะแบบไม่อยากทําศีลสมาธิปัญญาแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องตั้งไว้ให้ถูกตั้งไว้ให้ถูกเดีคือถ้าเราปรารถนาอย่างความเป็นเทวดาหรือความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยพวกนี้ยังชุ่มอยู่ด้กามแต่มันมันเป็นคนละเรื่องกันการการที่เราจะปรารถนาการที่ จะได้ปฏิบัติตามสีสมาธิปัญญาหรือว่าความเป็นสมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จะต่างกันอยู่แต่ก็คืออยากในเรื่องที่มันดีๆะเรื่องอะไรที่มันดีล่ะก็กุศลธรรมทั้งหลายแหละสีสมาธิปัญญาดีๆนี้ต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วยนะถ้าเป็นดีๆเรื่องอื่นในความเห็นของคนอื่นมันอาจจะพอกพูนเพิ่มพูนฉันตะเพิ่มพูนปอกพูนตัณหาอันนั้นมันจะไม่ดีแต่ถ้าเรามาอยากในเรื่องที่มันจะทําให้ตัณหานั้นมันลดลงไปเพลาลงไป ความมึนความเมานะั้นลดลงไปจางคลายไปเออนั้นดีแตนะ่คือไม่ใช่ความอยากดีนะแต่ความที่ความอยากความเมาความเพลิน ม, มันจะลดลงไปนั่นเป็นผลของการที่เราทําอย่างดีอันนั้นนะ่ะดีในะ่คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจมีคําถามหนึ่งในข้อที่5้าของท่านผู้ฟังที่เขียนมาจากจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าความจําอย่างมั่นคงหรือว่าทีระสัญญามีลักษณะเป็นอย่างไร สัญญาทั้งหมดทั้งปังไม่ว่าจะเป็นไปในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันสัญญาหรือความหมายรู้ที่เป็นทั้งภายในหรือภายนอกสัญญาคือความหมายรู้ที่เป็นทั้งหยาบละเอียดเลวประณีตดีหรือไม่ดีเป็นของเขาหรือเป็นของเราก็ตามทั้งหมดนั้นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราจะบอกว่าจะเป็นสัญญาที่มั่นคงแต่มันก็ยังมีความไม่เที่ยงอยู่แต่สิ่งที่ดีนี่ มันต่างกันตรงนี้แต่นะว่าสัญญาคือความหมายรู้เนะี่ยไม่ใช่ความจํานะเราจะพูดว่าความจําได้หมายรู้เนี่ยมันจะมันจะสับสนนิดหนึ่งแต่ว่าเข้าใจกันให้ถูกระหว่างคําว่าสติกับสัญญาสักนิดหนึ่งเพราะว่าคําว่าสติเนี่ยหมายถึงการระลึกได้ระลึกได้คือจําได้นั่นเองอย่างกิริยาที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าคนที่ได้เคยฟังธรรมมาแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาได้ฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะระลึกได้ นะคําว่าระลึกได้นี่คือมีสติตั้งขึ้นมาได้มีสติตั้งขึ้นมาได้โอ้นี่เป็นธรรมะที่พระพรุทธเจ้าประกาศไว้นี่เดี๋เหมือนอย่างกับคนที่เดินทางไกลยอยู่ในป่าอย่างเงี้ยได้ยินเสียงเขาเป่าสังขึ้นมาจากที่ไกลๆปูนขึ้นอย่างเงี้ยโอ้เสียงสังเสียงสังหรือได้ยินเสียงกลองตุ่มตุ่ตุมโอ้เสียงกลองเสียงกลองจําได้ระลึกได้คําว่าจําได้ระลึกได้ตรงนี้คือสตินะี่ยไม่ใช่สัญญาคนละคำกัน แต่สัญญาคือความหมายรู้เป็นส่วนของความทุกข์เป็นส่วนของสิ่งที่ถ้าเราไปยึดถือแล้วจะทําให้เกิดความชิบหายความเร้อร้อนความเราหร้อนและมันมีความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีลักษณะความเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของสติเออสตินี้ต้องทําให้มากๆนั้นทำมากๆแล้วมันถึงจะดีในเป็นเรื่องของมักะจะมีความแตกต่างกันตรงนี้อยู่นั่นคือคําถามของท่านผู้ถามที่เขียนมาจากต่างจังหวัดเชียงใหม่ มีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากต่างจังหวัดไช ย, ยปุม่มนะท่านผู้ถามนี้ชื่อว่าแดงเกี่ย ม, มาจากจังหวัดไชยปุม่มก็ถ า, ามว่าการที่ท่านผู้ถามนี้สวดสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามท้องไร่ท้องนาสุดท้ายก็หยาดน้ําอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาด้วยถูกหรือไม่ก็ทําถูกแล้วนะคือหมายความว่าไอ้กิริยาการหยาดน้ําการากรวดน้ําเนี่ย จริงๆแล้วก็เป็นประเพณีของพราหมณ์เขาในะที่ว่าเวลาจะทําอะไรแบบลักษณะเป็นการเซ็นสัญญา่นะว่าฉันให้เธอแน่นอนนะซึ่งลักษณะสิ่งที่กิริยาที่เขาทำํำนกะ็คือ เ, เอาน้ำเนี่ยหยดลงไปเป็นเหมือนการทําสัญญาแตนะ่ว่าให้แน่แนะซึ่งลักษณะกิริยาตรงนี้เราก็เอามาทำเอามาปฏิบัติด้วยในบางกลุ่มบางพู้ในประเทศไทยนะซึ่งไอาการหยาดน้ําตรงนี้นะ่ถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยมันอยู่ที่กําลังของจิต ที่ว่าถ้าจิตของเรามีกําลังจิตของเรามีความปรารถนาตรงนั้นมีบุญที่เกิดขึ้นถ้ามีบุญมีจิตแต่คุณอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ได้แต่ถ้าไม่มีบุญไม่มีจิตต่อให้มีน้ําแล้วก็ไม่ไม่สามารถทําได้แต่ประเด็นสําคัญคือเรื่องของบุญเรื่องของจิตมันก็สามารถทําได้นะทำได้ข้อที่2ท่านผู้ถามจากจังหวัดเชายภูมิจะถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยมักจะได้ยินเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้ นะคิดว่าจะเป็นเสียงทิพย์หรือว่าเสียงบนเทวดาหรือว่าเสียงของสวรรค์ใช่หรือไม่แตนะ่ถ้าได้ยินแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรในะเรื่องของนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีความสามารถตรงนั้นอาจจะเป็นเสียงทิพย์อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นความคิดนึกของเราเองแต่บางทีเราอาจจะระลึกถึงเสียงใดเสียงหนึ่งได้แนะซึ่งทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นนิมิตและนี่หมายถึงเครื่องหมายแในที่เป็นมาในทางเสียงอันนี้มีได้ แตไม่ว่านิมิตใดนิมิตหนึ่งเกิดขึ้นท่านผูฟังนะีเราจะต้องอย่าไปยึดถือมันอย่าไปสนใจมันในะให้เราตั้งสติไว้ตามเดิมเพราะว่าถ้าเราไปตามนิมิตนะเมื่อที่เราจะเป็นบ้าได้แตนะรพระเจ้าก็เคยเห็นหลายคนแต่นะตามนิมิตแสงอย่างเงี้ยเห็นแสงก็ตามไปตามไปได้ยินเสียงก็คิดไปใคร่ควรไปในะสุดท้ายเป็นบ้าไปเลยต้องไปโรงพยาบาลประสาทเนะี่เราอย่าตามตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็น เห็นพวกเ ท, ว ด, ทวดาอะไรตอนก่อนเป็นสมมาสบุรเช้าเนี่ยเป็นบริษทัทเหนนะ็นไหมยก็เห็นฝันไหมฝันแต่ยังมีมาหาสุบินสีก็แต่ไม่ตามความฝันไม่ตามนิมิตไม่ตามเสียงนั้นแต่ตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้อย่างที่เราฝึกเช่นว่าเราฝึกในการใช้ลมหายใจแต่บางคนจะฝึกด้วยวิธีการต่างๆให้สติตั้งขึ้นแต่อย่าไปตามเสียงไปตามนิมิตนั้นเพราะว่าเสียงนั้นนิมิตนั้นมันก็มีความไม่เที่ยงมันาชภะพาเราไปที่นั่งที่นี่มีความอันตราย เราให้ตั้งสติไว้เหมือนเดิมหังจากนี้ท่านผู้ถามจากจังหวัดชัยภูมิเราก็ถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิแล้วชอบน้ําตาไหลหรือว่าบางทีได้ยินได้ฟังเรื่องของคนที่ตกทุกข์ได้ยากเรื่องของพ่อแม่ของตัวเองแต่บางทีก็น้ําตาไหลออกมาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะต้องระวังร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะที่ขับน้ําตาออกมาได้แต่เวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทําอย่างไรคือเราตั้งสติเอาไว้เลย แต่เราตั้งสติเอาไว้แต่อย่าให้จิตนั้นไปคล้อยตามมีความกำหนัดรุ่มลงในเรื่องราวเหล่านั้นมากนะักแต่บางที่เรานั่งสมาธิมีปิติมีสุขเกิดขึ้นในใจเอาเราตั้งสติไว้ไม่ให้จิตของเราไปลุ่มลงไม่ให้ตามไปในปิติไม่ให้ตามไปในความรู้สึกที่เป็นสุขตรงนั้นแต่เวลาที่เราได้ยินเรื่องราวใ ด, ดๆเอาเราตั้งสติเอาไว้นะได้ยินอยู่ก็จริงใคร่ครวญตามอยู่ก็จริงแต่ว่าให้มีสติอยู่ด้วยแต่าการที่เราฝึกสติตรงนี้ไว้เรื่อยๆไว้เรื่อยๆเนี่ยสิ่า เราจะมีจิตที่ตั้งมันได้ในปีติสุขตรงนั้นจะค่อยเจืดจางไปจืดจางไปแต่จืดจางไปตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเป็นของดีนะเพราะว่าการที่เราไปรุ่มหลงกําหนัดเป็นไปตามอำนาจของปีติสุขนั้นก็จะลดลงตรลดลงแล้วมันจะเหลืออะไรมันก็จะเหลือสิ่งที่มันละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่าเช่นอุเบกขาบ้างเช่นหรือความระ ง, งับในเรื่องราวต่างๆความที่มีจิตระ ง, งับความที่มีกายระ ง, งับแต่พอมีความระ ง, งับกายระ ง, งับจิตแล้วนิ่เงียบเป็นอรบณ์อัเดียวแล้ว เราจะสามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้ชัดเจนและได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราได้ยินเรื่องราวอะไรให้ตั้งสติไว้เลยแลต่สติเนี่ยทั้งสองฝั่งเป็นทางอันเอกแต่เป็นทางเดียวทางสายเดียวแต่ที่ว่าเราเจอนิมิตได้ยินเสียงใดแต่ะมีความสุขทุกอย่างไรก็ตามะให้ตั้งสติขึ้นเอาไว้นั้นตั้งสติไว้แล้วมันดีเองแต่คําว่าดีเองในที่นี้หมาย ว, ามว่าจิตใจเราก็จะค่อยผ่านไปได้เอง ใจเราก็จะค่อยสงบประงับเป็นโรมันเดียวได้พระรัชกาตรัสไม้อย่างนี้บอกว่าผู้ที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นั่นเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้นั่นเป็นคําถามของท่านผู้ถามที่เขียนมาจากจังหวัดชายภูมิแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าพบว่ามีเรื่องราวใดๆที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับทางรายการแล้วก็เขียนจนจดหมายหรือไปรเสียบัตรหรือว่าไปช่องทางทางเว็บไซต์ได้ รายการซีดีรายการธรรมารับอรุณให้ทรงไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยวันนี้ครพระเจ้าพระมหาไพบูรณาพิปุนโญก็ขอลาไปก่อนจนิล้ว่อน